ท่านเพื่อนพระวิสุสมาเนรทั้งหลายไ <c oughs> ด้ย้ายโยงพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกคนนั่งฟังกันอยู่ทุกๆวันสํ <c oughs> คาคัญหรื อ, อย่างเออเรามาฟังกันไม่ได้เรื่อยค่อยๆทำให้เรื่อยเืยเรื่องบารมีสิบประการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ฟังเพื่อเป็นการรู้เรื่องอย่างเดียวต้องการ้ทุกคนค่อยๆปฏิบัติให้ได้ ผมถือว่าผมพูดว่าต้องค่อยๆปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากหักโหมในการปฏิบัติจริงๆแล้มันไม่ได้ก็ขอย้อนไปถึงการใช้ปัญญาบารมีต่อไปวันนี้อยากจะให้จบจะจบล้วไม่จบก็ไม่ทราบ <c oughs> ปัญญาบารมี <c oughs> แต่ความจริงจะพูดให้จบจะจบไม่ได้จะย่อๆพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็ทุกท่านไปค้นค้าใช้ปัญญาพิจารณากันเอง เมา่ว่ากันถึงปัญญาบารมีถ้ากล่าวถึงว่าเราเข้าถึงชั้นอุดมขั้นดีสองตามที่พูดมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่าการความดีที่พูดเมื่อวานนี้จบลงไปแล้ว <c oughs> ทำได้ตายจากความเป็นคนเป็นเทว ด, ดาหรือพรหมอีกชาติหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเป็นสองอย่างไม่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไร เป็นอรหันต์เมื่อนั้นชาตินั้ น, นอรหันต์แม่ท่านี้คนที่มีปัญญาเขาก็ต้องคิดต่อไปว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเนี่เนื่อทังม่เวีได้เป็นพระอรหรันต์ก่อนจริงพระอรหันต์ก็มีความรู้สึกทางด้านประภาษาเท่าๆกับคนธรรมดาคีกหนึ่งพระอรหันต์ก็มีความหิว สองพระหลันก็ปูดอจาระปัสสาวะสามพระหันร้อนก็รู้หนาวก็รู้ป่วยไข้ไม่สบายก็มีพระรหันท่านแก่ก็ได้ร่างกายพระหันพังก็ได้รวมความว่าถ้ามาเกิดเป็นคนถึงไม่อย่าเป็นคนชาติเดียวและเป็นหันเป็นคนอยู่นั่นร่างกายเป็นหันร่างกายก็เป็นร่างกายของคน มันก็มีต้องมีทุกขเวทนาอย่างคนท่านที่ใช้ปัญญาปรมัยบร ร, ม, บ ร, บ ร, บรมีจริงๆก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังต้องมาเป็นคนอีกหนึ่งชาติชาติหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวันถ้ายุคยืนนานั้งแปดสิบปีเหมือนพระพุทธจเจ้น า, น า, น า, าหรือร้อยยี่สิบปีเหมือนรนางวิสาขาหรือพระสุขาสมนเณนหรือพดิตสมมมณน เราก็ต้องทนทรมาณถึงแปดสิบปีร้อยี่สิบปีถ้าชีวิตยังมีคนที่มีปัญญาบารามีจริงๆเขาจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมอิ่งอยู่แค่นั้นดูตัวอย่างพระโมคคัลลาในภาษาที่บทพระอาหารหันต์ทั้งหลายต่นก็จะก้าวต่อไปว่าทำยังไงหนอถ้าเราตายจากความเป็นคนแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้ามันยังจะเกิดใหม่เข้ามันค้างแท้แท้เวทวดา่ละคนถ้าปันนิพันไม่ได้ก็ต <have> ้องรวบรวมกำลังใจว่าการผ่อนปลนย่นเบาลงมาจากราคะความรักมันก็ยังมีรักอยู่นี่ความรักวีที่ไหนความจะเทือนใจมีที่นั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโก ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเปียโตชายเตพยังภัยอันตรายจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยความรักรวมความว่าเราก็ยังมีทุกข์ในเมื่อเรามีรักเราก็ยังมีทุกข์ถึงแม้ว่าจะรักน้อยๆมันก็ทุกข์น้อยถ้านุกน้อยๆจะลืมนะถ้ารักบ่อยๆมันก็ทุกข์มาก ดูตัวอย่างน้ําฝนตกทีระยะตียตัดเม็ดตะนานแตะยังเข้ารองน้ําฝนก็ยากหน่อยเห็นชัดไปยังเข้ารองน้ําตาลนี่ยเขาทําน้ําตาลตะโนโดแล้วน้ําตาลมะพร้าวเขาก็เก็บอกไปรองในช่องของตาลหรือมะพร้าวมันไม่ไหลโจกมันจะไหลแปะแปะแปะ แต่ว่าเขาไปกระ บ, บอกไปรองตั้งต่อตอนเย็นตอนชเช้าก็ไปเอากระบอกปรากฏว่ามีน้ําตาลเต็มกระ บ, บอกกระ บ, บอกก็ไม่เล็กเป็นกระ บ, บอกใหญ่ <c oughs> จะเป็นอนุวัตน้ําตกทิฏยาทิฏย า, ยาสามารถทำพรชนะไอเทมได้ชัน้นใดถ้าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม้ว่ามันจะรักเบาๆแต่รักทุกๆวัน มันไม่คลายมันก็เพิ่มความหนักในความโกรธความไม่ชอบใจก็ไม่กันมันจะมีเบาๆไม่หนักแต่ว่าก็ยังหนักอยู่บ้างเหมือนกับเรามีแผลไม่โตแต่มีแผลสีกิ่ดด้วยปลายเข็มมันก็จะมีอาการเจ็บโทนจิตไม่ให้เป็นสุขข้อนี้มีอระมาชั้นใดนีนนความคนที่มีปัญญายก็คิดว่าถ้าเรายังจะต้องเกิดเป็นคนอีกชาติหนึ่ง ถึงแม้จะได้ปานิพันธ์มันก็ยังเป็นทุกข์ทางที่ดีถ้าปานิพันธ์ยังไม่ได้เราไปค้างแค่เทวดาหรือพรหมดีกว่ากรณี้ต่ไงก็ต้องใช้กำลังใจสูงหน่อยแต่สำหรับท่านที่ได้ปกปีนีวาสอนติยานเป็นขอไม่หนักถ้าใช่ตีต่างสัญญาณก็ได้รู้เรื่องราวคนอื่นด้วยตีต่างสัญญาณ ดูเรื่องราวของเราด้วยปกเพณิวาสานตริยานด้วยความรักในระหว่างเพศทุกชาติที่เรามีอยู่มันมีความสุขหรือความทุกข์ร่างกายของคนทุกชาติมันมีความสะอาดหรือความมีสกปรกเวลาที่เราจะแต่งงาน <c oughs> แล้วก็เลือกผู้หญิงต้อลักษณะอย่างนี้ผู้ชายต้มีลักษณะอย่างนั้นมีสายอย่างนั้นมีสายอย่างนี้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องมีตัวทรัพย์ยางนั้นอย่างนี้เราจริงชอบใจเราเลือกคนที่สวยที่สง่าตามที่เราชอบแต่แล้วว่าความสวยความสง่ามมาทรงตัวไหมไม่กี่วันมันก็เสื่อมทั้งนี้พราะหดสวยหมดสงา่าามทำยังไงจำใจจำเกินแต่ยังมีหลงอารมณ์วิก า, มารมารมเข้าสนับส น, นุนเราก็ทุก เราอยู่ความสกปรกแต่เราเราไม่สาดเราไม่ฉลาดไม่มีปัญญา <c oughs> เราก็มีความเข้าใจว่าความสกปรกทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์แต่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นของสะอาดหลงความสกปรกว่ามันของสะอาดเช่นชมยินดีกับความสกปรกแ้าความจริงบางขณะก็รู้ว่าสกปรกถ้าหน้ามืดขึ้นมาเห็นเห็นชี้เป็นทองคํา ได้เห็นอุจจาระเป็นน้ำหอมมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่มีปัญญาจงคิดว่าไม่เอาตัดมันไปเลยในการตัดเสลยใช้ะอะไรความรักใช้กายกะตานุภติกับอสพพกรรมฐานบวกส ก, กายยทิฏฐิเห็นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสุขปรกโซโครก แล้วคนีรสุดธิ์ร่างกายที่เต็มด้วยความสุขภพโสโครกนี้มันไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรสูงตัวเราบังคับมันไม่ได้เลยความจริงไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นร่างกายที่กิเลสตัณหาปาทานสร้างขึ้นไม่มีอะไรดีเลยปัดกำลังใจเที่ยงมันคิดว่าสภาวะความสุขภพอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกจิต ก, ก็สลัดจากความรักในร่างกายของเรา เมื่อสลัดจากความรักร่างกายของเราได้มันก็สลัดความรักร่างกายคนอื่นได้เพราะความรักจริงๆเนี่ยมันรักร่างกายเรามากที่สุดแทนที่เราจะรักคนอื่นเมื่อตัดได้อย่างนี้อารมณ์มันจะสุขมากอารมณ์ความรักความลิ้นลนมันจะไม่มีไม่มีจริงๆนี่ราบรรดาทั้งผู้บริษัทชายหญิงหลังจากนั้นก็เข้าไปตัด ปฏิฆาคือความไม่ชอบใจอารมณ์ความโกรธแต่ตอนนี้มันโกรธไม่จริงอตมิมยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจมันเบามาจากอันดับที่สองแล้วอันนี้เป็นอันดับที่สามปัญญาก็เข้ามาพิจารณาว่าความโกรธเนี่ยทำให้จิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์ความโกรธคือเกิดขึ้นมาเมื่ไหรความโง่ก็มีมานั้นอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ไดีความวุ่นวาย ให้คนที่มีปัญญาคิดว่าถ้าเราจะคบความโกรธว่าทําไมมันทวงใจใจเราให้เป็นทุกข์ทวงใจเราให้เดือดร้อนหาทางสลัดความโกรธที่ผมบริหารสี่เรือกว่าสินสีกสินสีนี่ก็สินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเป็นอารมณ์ชานให้สักายะทิ่ถิพิจารณาว่าการโกรธโกรธใคร ก็ร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไอ้ร่างกายคนอื่นเนี่ยมันเป็นหุน่นร่างกายเราก็แค่หุน่นไอ้ตัวจริงๆคือทิสมานกายภายในถ้าเราไปฆ่าไอ้ร่างกายภายนอกร่างกายภายในมันไม่ตายด้วยมันก็หาที่เกิดต่อไปแลถ้าการกำลังใจของโกรธไม่มีอารมณ์เป็นุพเริ่มโกรธ แล้วก็เริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะด่าเขาบ้างอยากจะบ้าเขาบ้างอยากจะทรมานเขาบ้างอยากจะฆ่าเขาบ้างยังทําไม่ได้ใจไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ความดิ้นรนกรวนกบายพราะนิสุดเราเองไป็นผู้สังหารตัวเองทีละน้อยแต่น้อยกินไม่ได้ร่างกายก็ทรุดโทมนอนไม่หลับร่างกายก็ทรุดโทมไม่ช้าโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน แล้วความทุกขเวทนาเ ม, มื่อเกิดขึ้นมันก็ตายที่สุดก็ตัดสินใจเลิกโกรธซะดีกว่าใช่อารมณ์สังขารด้วเปรย์ข้ายานวางเฉยในขันห้าวางเฉยอารมณ์ในกระทบอารมณ์ที่กระทกกท็ทั้งถือว่าอารมณ์ต่างๆเสียงก็ดีอาการก็ดีมันมีสภาพเหมือนควันไฟพุ่งขึ้นแล้วก็หายไปในอากาศจะไปสนใจอะไรก็ว่าโลกนี้เนี่ยมันเต็มด้วยโลกกระททั้งแประการ คนละาต์ที่เกิดมานี่มันไม่พ้นไม่พ้นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกคือหนึ่งได้หลบับสองได้แล้วก็หมดไปสามได้ยศสี่ไม่ช้ามดยศก็หมดไปเขาเลิกใช้ห้านินทาหกสนเสริญเจ็ดสุขสุขคือกรรมมาสุ ข, สขแล้วก็แปดทุก อาการต่างๆของชาวโลกมันเป็นอย่างนี้จะเป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่เกาะมันสักอย่างแต่ลวกเขาทำแปดไม่เอาอะไรเลยคือถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ลาบก็ไม่ดีใจได้ยศก็ไม่ดีใจสนั่นก็นไม่ดีใจพวกความสุขก็ไม่ดีใจเพราะมันไม่ของไม่จริงถ้าสิ้นลาบไปสิ้นยศถูกตินทาหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อจิตใจ ย, ยอมรับทับถีคำบรรดาเกิดขึ้นความโกรธความไม่ชอบใจปฏิฆังก็ไม่มีอารมณ์ก็เฉยจะวาจะเรื่องการที่แสดงมาถ้าตัดความรักได้ตัดความโกรธได้มั่นสุขบอกไม่ถูกอารมณ์สมบายเาบาบางบอกไม่ถูกสุขจริงๆบรรดาญาโยมพระตุภิษัทชา ย, ย ถ้นดาเพื่อนไปสู่สมณเลนมันสบายจิตใจชุ่มชื่นเยือเกเย็นสบายหมดเห็นใครเดินไปเดินมาเขารักกันเขาควงกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมบัดาของคนที่เกิดมาในโลกก็ไม่ตำหนิใครแล้วดูถึงกําลังใจเราเราไม่มีคนรักเราไม่อยากรักมันก็มีความสุขสุขกันคนหนึอย่างของเขาสุขด้วยอามไมคือสิ่งของระบบคลก็เราสุขด้วยนี้เป็ น, นี่รายไม่จะสุข สุขที่ไม่อิงอามิตคือสุขโดยอารมณ์ของธรรมมีความเยือกเย็นเล้าสุขกว่าถ้าทำได้อย่างนี้คนที่มีปัญญาประเภทนี้ตายจากความเป็นคนไม่กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วเรื่องใบายับคูนั้นไม่ต้องพดกันตายจากชาตินี้ไปเป็นเทว ด, ดาหรือพรหมก็บำเพ็ญบารมีจากเทว ด, ดาหรือพรหมไปนิพพานเลย อันนี้ยังมีความสุขมากพ้นจากร่างกายที่เป็นทุกข์ไปเป็นกายเทวดาแล้วผมก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีาการทุกข์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคนนี้มีปัญญาบรารมีเต็มท่านก็ยังไม่พอใจอีกไม่พอใจนี่ไม่ใช่โกรธหมายความยังไม่เต็มความต้องการวาความปรารถนาความต้องการยังมีมากกว่านั้น ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังเป็นเทวดาหรือพรหมการที่จะก้าวเข้าไปสู่นิพพานก็ต้องไปใช้กําลังใจกันอีกต้องไปตัด ก, กันอีกมันก็ยังมีเสียงโมหมองขึ้นกิเลสบางส่วนแม้แต่บางแสนบางโดยความจริงกิเลสจะบางแสนบาลก็น่องคิดถ้าผ้าขาวทั้งผืนถ้าไม่ขาวสะอาดจริงๆล้วราคาขายไปราคาเต็มราา100้อยเปอรเซ็นต์ แต่บังเอิญขาวสีดำดำสีเขียวเขียวสีเหลืองสีแดงนิดเดียวมาแต้มนิดเดียวในผ้าขาวผืนนั้นเขาก็จะตำหนิว่าผ้าขาวผืนนี้มีตำหนิถ้าจะไปขาย ใ, ใครถูกตัดราคาเร็วถ้าขาวต้องอัราคาหนึ่งบาทแต้มนิดเดียวอาจจะเหลือสองสหลึงและยี่สิบห้าสตางค์ คนที่มีปัญญาก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเราเย็นต้องเกิดเป็นเทวดาด้วยผมก็ต้องาใช้กําลังเหนื่อยอีกไอ้ความชั่วนิดหนึ่งไม่ควรจะมีในมีปัญญาจริงๆนะปัญญาเต็มเราต้องการไปที่สุดของความทุกข์พบเจตความสุขจุดเดียวนั่นคือนิพพานจะทํายังไงต่อไปก็ยิ่งวิชาแปดประการยานแปดประการนี้คบควบกู่กันไว้ ใช้ตามเวลาที่สมควรแต่ผมจะไม่แนะนำในที่นี้เนี่ยครูเขาแนะนำมาแล้วนี่ล้วก็ใช้ปัญญาเขาห้ามหันหนึ่งรูปฌานก็ดีสองอารูปฌานก็ดีความจริงเป็นของดีมีกำลังรูปฌานและรูปฌานนี้ถ้าเรามีแล้วมันตัดนิวรณ์ไม่เข้ามาโกวนใจมันก็มีความสุขแต่ว่าเราเผลอไม่ได้ มันมีสภาพมันก็คนกดคอเสือกดคอเสือไว้เสือก็กัดไม่ได้แต่ต้องใช้กำลังกดถ้าว่ากำลังเราอ่อนตัวลงมาเมาื่อไรหรือว่าเผลอเมื่อไรมันก็แว้งกัดใหม่ถ้าว่าเราระวังไว้มันจะกัดไม่ถนัดมันก็เจ็บถ้ากัดวิดวิดเราก็ต้องคอยหลบเสียเวลามีความเหนื่อยแตเราระวังตัว อันนี้สำหรับชาโลกีตัช า, าโลกีเป็นการเพราะกำลังเหมือนคนเพาะกำลังกายปัญญาเหมือนกับมีด ท, ที่มีคมกลา้าเข้าราบปาบศัตรูฉะนั้นเราจะไม่หลงยุ่แค่ปฐมภูมิยู่แค่รูปประชานและอาราูปรัจนรูปปันรและอารมณปัจนต้องมีแต่ความดีไม่มีแค่นี้เราต้องการสูงขึ้นไป ก็ใช้ปัญ ญ, ญากำลังปัญญาขารูประชาลและรูโลกะชาลเ <c oughs> ข้าประหารประหารกิเลสโดยคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือไม่รูปะชาลที่เราว่าอากินจัญญาเจตนาะพิจนาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือคนตายหมดสัตว์ตายหมดวัตถุธาตุพังหมดเป็นอันสุด เราจะต้องการอะไรกับการเกิดในโลกนี้อีกในทุนเทวโลกและผมมรโลกเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหลือเทวดาที่ประอยู่เมืองสวรรค์ก็ดีพระรามที่อยู่เขตพรมก็ดีก็ไม่มีใครอยู่ประจำได้นานหมดพ้นวสันตมหาบรมีก็ลงมาไม่เป็นเรื่องเราต้องใชอารมณ์ในวัสัญญาณาสัญญาเจตนาะ กดอารมณ์ไม่สนใจโลกมนุษย์โลกที่ว่าโลกธรรมาโลกทำเฉยเสียแล้วก็เข้าไปตัดมานะการถือตัวถือตนให้มานะการถือตัวถือตนแล้วก็เอาส ก, กายยะติติเข้ามาเปรียบว่าคนเราที่เราเห็นเราเห็นมันดีกว่าเราเสมอเราเร็วกว่าเรามันมันถูกต้องตรงไหนความจริงไม่ถูกไม่ต้องเลย การเข้าไปเปรียบกันมันเป็นอารมณ์หนักทึ้งวิเลตเป็นความชั่วไปยุ่งกับคนอื่นเขาเราไม่สนใจเขาซะเลยเขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราสนใจอย่างเดียวว่าตัวขอเราเนี่ยเราหลงในตัวเราหรือเปล่าร่างกายมันเลวเราคิดว่ า, าดีหรือเปล่าร่างกายมันสนกปรกเราคิดว่าสะอาดหรือเปล่า ร่างกายนี่มันจะต้องพังในที่สุดมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีที่เป็นเพื่อนเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีเราก็จะจังจ่าขมันไปใช้กําลังใจเข้ามาตัดอารมณ์ตันนี้มีประโยชน์คิดว่าร่างกายไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> เรามีทุกข์ก็คือร่างกายร่างกายเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราเราไม่ต้องการมันอีกแค่นี้ดีแล้ว ต่อไปก็ขอสาวโกโอ็องสมเด็จประภธีแก้วใช้ปัญญาเข้าห้ามหันอุตจัตคืออารมณ์ฟุ้งมันก็ฟุ้งไม่ไกลมันฟุ้งง่ายๆแค่ขี้เกียจเท่านั้นเองตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมวางอารมณ์ไม่อยอมให้าอารมณ์ใส่ไปส่วนอื่นเราตั้งจันทรจุดเดียวคืออารมณ์ของพันิชย์เราจะไม่หวังเป็นมนุษย์เทวดาได้ต่อไป ใช้ปบเพนิวาสารุทธิยานกัปทีตังสิยานดวาูว่าเทวดาและผมเราเคยเป็นมาแล้วคนอื่นก็เป็นมาแล้วทำไมถ้ามันนั่งให้มันเมื่อยเมื่อยกายอย่างนี้ไม่อยู่ม่หดอย่างนี้ก็เพราะบุญบา ร, รมีหมดมันก็หลุดลงมานี่ต้องการอะไรมันสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือได้พ่านยึดอารมณ์ให้เด็ดเดียวไว้เป็นเอกตาารมณ์ เอกะตาารมณ์คือเรามีอารมณ์อารมณ์เดียวเราจะไม่แวะที่ไหนะอีกตายชาตินี้ไปขอพระนิพพานหลังจากนั้นก็ตัดกำลังใจร้ายคือกิเลสร้ายที่ทำให้องโง่คือตัวอวิชชาอาวิชชาสมเด็จพระสัมมาพุฒเจ้าทรงจัดว่าแยกเป็นสงสั์ในขนันธวัว่าฉันทะกับราคะตัดอวิชชาคือตัดฉันทะความพอใจ การพอใจในการเป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเราพอใจในการเป็นเทวดาเทพมไม่มีสําหรับเราให้มันไม่มีจริงๆราคาเห็นว่ามนุษย์ยทั้งโลกสวยสดงามเทวดาโลกกับพมโลกสวยสดงงามน่าอยู่ไม่มีสําหรับเราเราต้องการจุดอยู่นิพพานก็มีอารมณ์ปลอดอารมณ์ปลอดในที่นี้ในสุดก็ไม่มีอารมณ์เกาะเห็นคนก็สักแตวะคน ไม่สนใจเรงความสวยสดงดงามได้เห็นรัศกรสมบัติก็สักแต่ว่าเห็นทรัพสมบัตดิดีมีประโยชน์เราได้ใช้มันแต่ว่าชาเราก็ตายจากมันตายแล้วเป็นของใครก็แขงไม่ติดจงเกินไปได้เห็นคนก็ทําทําไม่ดีพูดไมาดีก็ไม่สะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลส คนที่มีเกีเยรติจเจ้าดีอะไรก็ต้องเป็นอย่างเนี้ดีบ้างโชว์บ้างแต่ดีมากก็ชั่วไม่ขอโทษชั่วมากกว่าดีดีน้อยกว่าความชั่วความชั่วเขามีมากกว่าวันหนึ่งอาจจะดีทั้งสองสามนาทีแต่ชั่วเต็มชมั่วโมงอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมองดูต่อไปว่าอะไรบ้างที่เราควรจะเกาะมันไม่มีแล้วจิตก็ปโปรง่งมีอารมณ์สบายให้ถามว่าอารมณ์อย่างนี้เา้าเรียกอารมณ์อะไร อารมณ์อย่างนี้จริงๆถ้าเรียกว่าอารมณ์อารรหันต์แต่ว่าอารมณ์อารหันต์แล้วจะไปอารมหัน์ไม่ก็ตามก็จะไปนสนใจสนใจอย่างเดียวคือวางเฉยทุกอย่างให้ได้ที่เรียกว่าสังขารรูปขยายานลำแรก น, นํ า, านิพพยายนยัเบื่อหาความจริงพบเพิ่เบื่อก่อนแล้วต่อไปก็วางเฉยของที่ไม่ดีทั้งหมดในโลกฉันไม่ต้องการ ถ้าสมบัติในโลกมันจะพัดไปบ้างหายไปบ้างโหกให้โลกตกหล่นก็ห้าให้หกต ก, ต ก, ตก ห, ห, ห, หกตก ล, ล่นถ้าใครพูดให้ไม่ชอบใจใครทำให้ไม่จอดใจความสะเทือนใจนี่ไม่มีมันเฉยนึกถึงว่าธรรมดาของชาวโลกจเจ้าดีอะไรกับชาวโลกชาวโลกไม่มีอะไรดีสิ่งที่ดีสุดคือพระอริยเจา้านั่นคือพระอรหรันต ตัดชินใจเพื่อนี้ใจเราก็มาสุขใครเข้าว่าอะไรมาก็ช่างมันเท่าใดก็ช่างเข้าชมก็ช่างมีกินมากก็ช่างมีกินน้อยก็ช่างที่มีความพอใจแกมันก็ช่างป่วยไข้ไม่สมบายก็ช่งางอยากจะตายก็เฉลิมฉันจะไปนิพพานถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาญาโจนทุกท่านที่น่าวฟังและไม่สุขสมานิยมอิจเราจะถึงยอดถึงความสุขนั่นคือพระนิพพาน แต่ว่ามาบัญญาบรมีก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีเดียบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี